พวกที่เรียนกรรมฐานยากนะมีสองพวกพวกหนึ่งพวกคิดมากพยายามใช้เหตุใช้ผลใช้ความคิดแล้คิดยังไงนะเราก็คิดอยู่ในกรอบของความรู้และประสบการณ์เก่าๆธรร ม, มนะนี่เป็นของที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นคิดงี่ก็คิดไม่ออกนะบางคนก็สงสัยไปเรื่อยทำยังไงดีทำยังไงดี แค่ย้อนมารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่แค่นั้นก็พอละมันก็จะเห็นว่าสภาวะของความสงสัยนะเกิดได้ก็ดับได้สภาวะอย่างอื่นเกิดได้ก็ดับได้เหมือนเหมือนกันหมดนะพวกคิดมากนี่ถ้าพวกเซลล์จัดนะยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองรุนแรงเนี่ยพวกนี้เรียนกรรมฐานไม่ได้นะที่ท่านเรียกว่าพวกน้าชาล้นถ้วยนะคือเต็มซะแล้วนะรับอะไรใหม่ๆไม่ได้ ขีดเส้นเอาไว้หมดแล้วอีกพวกหนึ่งนะเป็นพวกที่ติดเพ่งเพ่งลูกเดียวเลยนะเพ่งจนนิ่งร่างกายก็นิ่งจิตใจก็นิ่งนิ่ ง, น, งนิ่งไปหมดแนละ้วจะเอาไตรลักษณ์ที่ไหนไปให้ดูนะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูในกายในใจก็มีแต่ความนิ่งนิ่งว่างๆตรงที่ใจเราหลงไปนะคิดเอาฟุ้งซ่านเอาอะไรเนี่ยเป็นความยอดหย่อนเกินไปในการปฏิบัติ ตรงที่เราบังคับกายบังคับใจนิ่งๆผิดธรรมชาติธรรมดาเป็นความตึงเกินไปของการปฏิบัติทางปฏิบัตินะั้นเป็นทางสายกลางเป็นทางที่เป็นธรรมชาติธรรมดามากที่สุดเลยเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติทมเป็นอะไรที่แปลกๆมันก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเท่านั้นเองเรียนรู้ว่าจริงๆร่างกายนี้เป็นยังไงร่างกายนี้เป็นทุกข์ เ ร, เรียนรู้ความจริงของจิตใจว่าจิตใจเป็นยังไงจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเป็นของที่บังคับไม่ได้ร่างกายของเราก็มีอยู่แล้วเราก็รู้สึกเอานะจิตใจมันก็มีอยู่แล้วทุกคนก็รู้สึกได้แต่เราลาเลยที่จะรู้สึกเอาถ้าเราดูคำว่าวิปัสสนานะวิปัสสนานี่มาจากคำว่าวิและคำว่ า, วววาปัสนาะปัสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งวิปัสสนาม่ได้แปลว่าคิด คิดนะภาษาบาลีคือวิตกเงาตรึกเงานะคนละเรื่องเลยนะระหว่างการคิดอย่าบางคนบอกว่าทําสมาธิให้นิ่งๆแล้วคิดพิจารณากายเป็นวิปัสสนาการคิดทําสมาธิมาทําไมครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยท่านทําสมาธิมากนะแล้วก็ท่านมาพิจารณากายนะทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ทําสมาธิมากๆาเนี่ยจิตมันจะติดนิ่งติดเฉย จิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยไม่ยอมเดินปัญญานะครูบาอาจารย์ท่านก็ออกอูบายให้จิตเดินปัญญาให้มาคิดพิจารณาร่างกายแยกร่างกายเป็นส่วนๆไปบางท่านก็มาพิจารณาเผาร่างกายนะเผาไปเรื่อยนะจนมันไหม้ไปหมดเลยสลายตัวไปเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวบางท่านมาแยกผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกไปทีละส่วนทีละส่วนจนหมดร่างกายเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวนะบางท่านก็จับมันฉีก อย่าหลวงปู่หลุยหลวงพ่อก็เคยไปหาท่านนะหลวงปู่หลุยเนี่ยท่านจะฉีกเป็นชิ้นๆเลยนะกำหนดฉีกร่างกายดึงแขนดึงขาดึงหูดึงอะไรเงี้ยควักลูกตาออกไปนะหักแขนหักกระดูกหักหัวกระโหลกนะทุกมันแตกไปท้าเรียกว่าม้างกายในที่สุดร่างกายก็หายไปหมดเลยเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวจําคําได้ไหมจับคําของหลวงพ่อได้ไหมมันลงท้ายว่าเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียว เหลือแต่จิตโดนเดียวแล้วมันจะมีอะไรต่อไปนะเมื่อร่างกายปรากฏขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจิตมันจะรู้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่าร่างกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันเพราะงั้นมันก็คืออุบายในการแยกธาตุแยกขันธ์อย่างหนึ่งนั่นแหละส่วนการชิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภาเนี่ยเป็นอุบายเพื่อจะข่มราคะอย่างพระเนี่ยถ้ามีราคะนะทรมานที่สุดเลยนะถ้าเป็นพระดีนะพระเลวไม่ทรมาน และพระดีเนี่ยทรมานมากท่านคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูอสุภาอั น, นิคมราคาได้เป็นสมถกรรมฐานนะส่วนการพิจารณาแยกแยะแยกแยะจนร่างกายหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตเดียวนะแล้วก็พอถอยกลับออกมาเนี่ยกายกับจิตมันจะรู้เลยรู้ชัดเลยว่าไม่นคนละอันกันต่อไปนะ่าร่างกายเคลื่อนไหวจิตจะเป็นคนดูมันแยกกันหลวงพ่อพุทธานิโยนะใครจําท่านได้บ้างใครเคยเจอท่านมีไหม ท่านสิ้นเป็นหลายปีเหมือนกันต้องพวกใกล้ๆแก่นะยังค่อถ้ารุ่นลงปุดดูลรุ่นอะไรนี่ต้องแก่แล้วยังจะเคยเจอหลวงพระพุธท่านเล่าว่าตอนท่านหนุ่มๆ น, นะท่านเป็นวรณโรคเป็นวรณโรคแล้วก็ป่วยหนักเลยสมัยก่อนคนที่เป็นวรรณโรคเนี่ยขีดเส้นไว้เลยตายมันไม่มีทางรักษานะท่านก็เตรียมตายนะะันนั้นป่วยหนักขึ้นมาไข้ขึ้นป่วยท่านก็นอนอยู่ นอนหงายอยู่ธรรมดานี่แหละนะนอนนอนอยู่เพื่อก็ดูไปเรื่อยนะดูดูดจิตท่านเป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตเส้นสมาธิขึ้นมาจิตกับร่างกายได้แยกออกอันเลยคราวนี้แยกแบบหลุดออกไปนอกร่างกายเลยจิตลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานนะมองลงมาเห็นร่างกายนอนอยู่ที่พื้นเห็นร่างกายนอนอยู่ที่พื้นร่างกายนี้ดูไม่ได้เลยนะซุดโสมมากนะ ไม่มีความสวยความงามอะไรเลยมีแต่ความเป็นโรคเจ็บไปหมดทุกส่วนอะไรเงี้ยดูลงมาร่างกายก็ตายนะเห็นร่างกายตายนี่เห็นด้วยกําลังของสมาธินะร่างกายตายร่างกายก็ค่อยเน่าเน่าพองๆนะในที่สุดก็ค่อยยุบลงไปเหลือกระดูกท่านก็ดูต่อไปเรื่อยนะกระดูกก็สลายตัวไปพอสลายร่างกายสลายหมดเหลือจิตอันเดียวลวนะแม้เข้ามาที่เดียวกันนี้หมดละ ที่แยกแยกแยกออกไปนะัก็เข้ามาตรงที่ร่างกายหมดเหลือแต่จิตเดียวพอเหลือแต่จิตเดียวพอจิตถอยออกจากสมาธิร่างกายปรากฏขึ้นมันจะรู้แจ่มแจ้งเลยว่าร่างกายกับจิตนี้คนละอันกันแล้วถัดจากนั้นนะร่างกายยืนจิตเป็นคนดูร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายนอนจิตเป็นคนดูหลวงพ่อพูดเล่าให้หลวงพ่อฟังบว่าท่านทํากรรมฐานท่านดูหัวใจเต้นนะดูหัวใจของท่านเต้นตุ๊บตุ๊บุ п, ใจของท่านเป็นคนดูอยู่ต่างหาก นอนหลับอยู่นะั้นก็เห็นหัวใจเต้นอยู่นะสติก็ะระลึกรู้เห็นหัวใจเต้นจิตของท่านเป็นคนดูทั้งท่านที่ร่างกายหลับนี่แหลนะจะหลับจะตื่นท่านก็ดูของท่านได้นะเพราะว่าท่านแจ่มแจ้งในยว่ากายกับจิตเนะี่ยโค่นานกันท่านเคยผ่านกระ บ, บวนการที่ร่างกายนี้สลายให้ดูมาแล้วนะงั้นไม่ใช่ว่าไปพิจารณาร่างกายร่างกายหายไปหมดเหลือแต่จิตเดียวเป็นพระโสดา สลายครั้งที่สองเหลือแต่จิตอันเดียวเป็นทัศกตาคาไม่ใช่เลยนะยังไม่ได้เริ่มเดินปัญญาที่แท้เลยนะเมื่อจิตถอยออกมาแล้วเนี่ยถึงจะมาเดินปัญญานะทําไมต้องจิตถอยออกมาเพราะาท่านเหล่านี้ท่านใช้สมาธินําปัญญาท่านทําสมาธิมากท่านสมาธิมากจนจิตรวมลงไปนะร่างกายสลายไปหมดเลยหายไปหมดแล้วเหลือจิตอันเดียวออกจากสมาธิมานะท่านจะดูกายต่อไปเลยนะ ดูจิตทก็ไม่มีอะไรให้ดูหรอกมันว่างๆเพราะว่าสมาธิมากถ้าสมาธิมากดูจิตไม่ได้นะจิตจะไม่แสดงอะไรเลยจะว่างๆเพราอนพวกที่ใช้สมถญานิกนี่เรียกว่าสมถญานิกใช้สมาธินําปัญญาเนี่ยให้มาดูกายให้มาดูกายไว้ส่วนพวกที่ใช้ปัญญานําสมาธินะให้มาดูจิตไว้พวกที่ใช้ปัญญานําสมาธิพวกคิดมากอนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไป พอเห็นมากเข้ามากเข้านะสุด <late> ท้ายปัญญามันก็เกิดนะว่าตัวเราไม่มีตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปอย่างโน้นมันเป็นไปอย่างนี้มันดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็หายไปไม่เที่ยงหรอกนะแล้วก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยปัญญานําไปก่อนนะ แล้วสมาธิเนี่ยมีสมาธิชั่วขณะคือความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะนะั่นแหละในขณะที่รู้สึกตัวไม่หลงไปในโลกของความคิดในขณะนั้นจิตมีสมาธิชื่อคณิกะสมาธิจะไม่เหมือนท่านที่ทําจนเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวนะพวกนั้นเป็นอัปปนาสมาธินะงั้นถ้าเราทําอัปปนาสมาธิไม่ได้นะเราไม่มีสมาธิระดับชัน เราต้องมาเล่นสมาธิธรรมดาทีละขณะนี่แหละจิตไหลไปแล้ว ร, รู้ไหลแล้วรู้ในที่สุดจิตจะ ร, รู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันมีความรู้สึกมันเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงพอตื่นขึ้นมานะความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในจิตใจนะั่นก็รู้ทันก็เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปไม่เที่ยงนะหรือสั่งให้มาก็ไม่ได้ไล่ให้ไปก็ไม่ได้นะบังคับไม่ได้นะดูเฝ้าดูอยู่ในจิตใจเนี่ยเยอะๆนะแล้วมันเห็นกายด้วย พวกที่ว่าดูจิตดูจิตนะพวกที่ภาวนามไม่เป็นนะเขานึดว่าพวกดูจิตนี่ไม่เห็นกายนี่ไม่เข้าไม่เข้าใจเลยจิตเราเปลี่ยนเพราะตาเห็นรูปนึกออกไหมจิตเราเปลี่ยนแปลงเพราะตามันมองเห็นรูปใช่ไหมจิตเราเปลี่ยนแปลงเพราะหูมันได้ยินเสียงได้ยินอย่างนี้มีความสุขได้ยินอย่างนี้มีความทุกข์นะจิตเปลี่ยนแปลงเพราะลิ้นกระทบรสรสอย่างนี้พอใจรสอย่างนี้ไม่พอใจ จิตเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งมากระทบสัมผัสร่างกายยุงกัดแล้วก็งุญญ่นหีดขึ้นมาเนี่ยมีใครมาลูบๆนะนั่งอยู่มีใครมาลูบขาแล้วกำลังนั่งหลับตาสบายมีใครมาลูบๆนะแหมสบายนึกว่าคนมาประจบซอฟพอนะลืมตาขึ้นมาเป็นหมาขี้เลื่อนมาสีอยู่ใช่ไหมตอนหลับตาอยู่กะละแม่ปลื้ม นะมีคนมารูปแข่งรูบขาลืมตามันเจอหมาขี้เลื่อนจิตพลิกเลยนะจากสุขก็กลายเป็นทุกข์เลยจาก ม, มีราคาก็พลิกเป็นโทสะเลยจิตมันพลิกพลิกพลิกพลิกไปเรื่อยๆนะภาวนาไปเรื่อยนะด้วยการวิธีนี้นะแล้วก็ทําในรูปแบบบ้างให้จิตมันได้เข้าพักบ้างทําในรูปแบบมันไม่ถึงก็เข้าชานหรอกพวกเรานะคนรุ่นนี้เข้าชานยากก็ให้จิตได้พักผ่อนบ้างทําอะไรไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์ไว้ คิดถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธพุโทโธคิดถึงพระพุทธเจ้านะพุโทโธผู้รู้พุโทโธผู้ตื่นพุโทพโธผู้เบิกบานนะใจได้พักผ่อนบ้าง น, นะแล้วก็มาดูการทํางานของกายของใจเรื่อยไปมันจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนั่นแหละแต่ว่าเราเอาใจเป็นหลักไว้นะร่างกายเป็นขี้ข้าของใจนะใจมันเป็นเจ้านายเราก็จับหัวหน้าโจนนั่นแหละคือใจของเรานี่แหละตั ว, ตวร้ายรู้มากเข้ามาเข้าถึงวันหนึ่งเนี่ยที่มันพอแล้ว สติสมาธิปัญญาแก่กล้าพอแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอับปนาสมาธิรวมเองทั้งๆ ท, ท, ที่ชาตินี้ไม่เคยรวมสักครั้งถึงวันนั้นมันรวมของมันเองนั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะนั่งคุยคุยอยู่นะถึงเวลาที่สติสมาธิปัญญาบริบูรณ์นะจะเกิดอริยามรรคแล้วเนี่ยนั่งทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่คุยกันอยู่เนี่ยจิตรวมปุ๊บลงไปในขณะนั้นได้เลยนะจิตรวมลงในขณะนั้นเลยแล้วก็เกิดอริยมรรคเกิดอริยผล เวลาที่เกิดมาเกิดผลเนี่ยไม่เกิดในจิตปกติของมนุษย์อย่างพวกเรานี้จะเกิดในฌานเท่านั้นนะแต่เป็นฌานชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่ฌานที่จิตสงบออกไปอยู่ข้างนอกจิตต้องถึงจิตจิตต้องตั้งอยู่ที่จิตอย่างแท้จริงสติจดจ่อลงที่จิตนะโดยที่ไม่ได้เจตนาระลึกรู้จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่กับจิตโดยที่ไม่ได้เจตนารักษาไว้ปัญญาเห็นความจริงคือความเกิดทับภายในจิตโดยไม่ได้เจตนาจะมองเห็น ไม่ได้เจตนาเจริญปัญญาเมื่อสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติไปหมดแก่รอบไปหมดนะทุกตัวทุกตัวอัตโนมัติแล้วประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันนั้นอัปนาสมาธิจะเกิดขึ้นนะแล้วก็จะเกิดอริยมรรคขึ้ น, นการล้างกิเลสจะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคนนั่งฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรม ท, ทีหนึ่งเยอะแยะทั้งๆ ท, ที่นั่งฟังเทศอยู่เคยได้ยินไหมเคยอ่านไหมในขณะนั้นฟังฟังอยู่จิตรวมเข้าอัปนานะ แล้วตัดกิเลสนะรวมได้บางทีคุยกันอยู่เนี่ยจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วตัดกิเลสได้บางทีกําลังเทศอยู่นี่อันนี้เล่าได้เพราะว่าท่านสิ้นไปแล้วไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมาเล่าหาราบสักการะอะไรหรอกหลวงพ่อพุทธนะเคยเล่านะว่าท่านเทศอยู่นะกําลังเทศอยู่บนธรร ม, มาสนี้แหละจิตรวมปุ๊บลงไปนะแล้วก็ขาดเลยขาดเลยตอนนั้นท่านครางสุดท้ายแล้วขาดบนธรร ม, มานเลย พอถอยออกจากสมาธิมาเนี่ยท่ารีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงประโยคไหนนึกได้แล้วรีบเทศต่อไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นนะมันช่วงขณะจิตเดียวท่านเองที่ตัดนะใช้เวลานิดเดียวเองเพราะนั่งฟังธรรมอยู่บรรู้ธรรมก็มีนะแสดงทำอยู่บรรู้ธรรมก็มีนะีคุยอยู่บรรู้ธรรมก็มีนะนอนอยู่บรรู้ธรรมก็มีนั่งอยู่บรรู้ธรรมก็มีเดินอยู่บรรลุธรรมก็มีนะ มันไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่หรอกมันเลือกที่ว่าสติสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์เมื่อไหร่นะเหมือนผู้หญิงจะคลอดลูกใช่ไหมคลอดที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคลอดในรถแท็กซี่ก็ได้เห็นไหมเออก็มันจะคลอดแล้วมันถึงเวลาจะคลอดแล้วเนหะ็นไหมไปคลอดโรงพยาบาลก็ได้นะมันเอาแน่ไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่ามันพอเมื่อไหร่งั้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะพอเมื่อไหร่เราต้องทําเหตุให้มากนะมีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฝึกให้มากเลยนะทุกวันต้องรักษาศีล5ศาสีส่ห้าจำเป็นนะพระก็ต้องรักษานะพระเอาแต่ศี่2องไม่มีศีล5เยอะเลยนะนะต้องมีสีล5้านะตัวสําคัญมากเลยนะสีลห้านี่สี่ในตัวมรรคแท้ๆเลยละสัมมาวาจาก็คือข้อสี่ใช่ไหมสัมมากัมมันตานี่สีข้อหนึ่งสองสานะส่วนข้อ5เป็นตัวแถมถ้า กินเหล้าเมายาเฮฮารวาสนะก็ทําผิดศีลหนึ่สองสามสีได้ง่ายนะแ้วรักษาศีลห้าไว้แล้วก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจหนีไปรู้ทันจิตใจหนีไปรู้ทันฝึกให้มากหาเครื่องช่วยให้จิตอยู่ก็ได้จะได้รู้ได้เร็วเวลามันหนีจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้พุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันอย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อ มาดูกายดูใจทํางานจิตของเราแยกออกมาเป็นคนดูเฉยๆแล้วได้เห็นความจริงของกายของใจรวมทั้งเห็นความจริงของจิตด้วยว่าจิตเองเราเกิดดับอย่าไปสงวนรักษาจิตไว้อันเดียวนะจะสงวนรักษาจิตอยู่จิตนิ่งนะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกร่างกายไม่เที่ยงความรู้สึกไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงอยู่ตัวเดียวนี่มิจฉาทิฐิเลยนะต้องระวังนะตัวนี้ที่พระไปติดเยอะเลยนะพระไปรักษาจิตนิ่งอยู่อย่างนี้เลยแล้วว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยง นี่นเราไะกลายเป็นวิชาทิฏฐิต้องฝึกนะสอนให้แบบเทยามแล้วนะถ้าไม่ทำง่นะต้องต้องสู้เอาจริงๆนะเราจะรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มากเลยนะรักษาศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความจริงของกายของใจนะพอจำได้ไหมข้อหนึ่งรักษาศีลห้าอย่าลืมนะ ตื่นนอนมาตั้งใจวันนี้เราจะรักษาศีลห้าถ้าเกิดเราตายตอนเช้าเราก็ตายกับศนะีลห้ารับรองกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกนะรีบมาฟังทมได้อีกนะอีก7ปีข้างหน้ากลับมาอย่างทันนะนะตื่นนอนก็ตั้งใจรักษาศีลห้ากลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจรักษาศีลห้าอีกเผื่อสำลักข้าวตายให้ได้ตายกับศีล5้าอีกนะ ก่อนนอนนะกลับมาบ้านก่อนนอนรักษาศีลห้าอีกตั้งใจไม่ต้องไปขอใครหลอกศีล น, นะเราชอบไปขอศีลกับพระนะครับศีลที่ทํำไมต้องไปขอกับพระมันคล้ายๆเราปฏิญาณตัวมีพยาน ร, รู้เห็นเวลาจะทําผิดศีลจะได้ละอายใจว่าเคยไปบอกหลวงพ่อประโมทว่าจะถือศีล5้าไมตอนนี้จะทําผิดศีลจะได้ละอายแต่ถ้าพวกหน้าด้านวิธีนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะไม่ละอายใจงั้นที่ตั้งใจรักษาของเราเองนี่แหละ ถ้ามีติดวัตถุก็บอกกับพระพุทธรูปว่าวันนี้หนูจะถือศีลห้านะคะเนี่ยถ้าฉลาดกว่านั้นก็คือบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะรักษาศีลห้านะตั้งใจไวปงี้เรื่อยๆนะเตียงคืนก็ต้องสมาทานไว้เผื่อตายกลางกลางดึกจนะได้ตายกับศีลห้าตั้งใจอย่างนี้ต่อไปก็ฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะพุโทโธก็ได้อ่าหายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิต ไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วให้จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวนะให้นั่งกรรมฐานที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกหลวงพ่อเล่นมาได้แต่เจ็ดขวบนะกรรมฐานหายใจแล้วก็สงบอยู่กับลมหายใจนิ่งอยู่กันนะจนกระทั่งลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงแสงสว่างเป็นดวงนะสว่างคราวนี้ยอยากรู้อยากเห็นอะไรเลยนะใจมันก็วิ่งฟลูดเลยนะจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรใจมันออกไป จิตมันหลอกเราทั้งนั้นเลยนะใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเสียเวลาอยู่ตรงนี้นานพักหนึ่งอ่ะแต่ไม่นานมากหรอกวันหนึ่งเฉลียวใจนะออกไปแล้วถ้าไปเจอผีจะทำไงกลัวผีตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพยายามรักษาสติไว้ไม่ให้จิตเคลื่อนออกไปข้างนอกนะรักษาไปเรื่อยจนกรทั่งตัวรู้เนี่ยมันเด่นขึ้นมาใจเคลื่อนเรารู้ทันเคลื่อนเรารู้ทันนะได้ตัวรู้ขึ้นมาหลวงพ่อนะหลวงปู่สิมเรียงหลวงพ่อว่าผู้รู้นะตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมเจอท่านนะ ท่านเรียกหลมงเราว่าผู้รู้ผู้รู้ถ้าไม่รู้จักชื่อท่านเลยเรียกผู้รู้ผู้รู้ท่ไม่เป็นผู้รู้เพราะว่าจิตมันเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งชิมตั้งมั่นจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องอยู่ถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาถึงจะทำได้นะนั้นรู้ทันจิตที่เคลื่อนนั้นแล้วจิตจะตั้งมั่นนี่คือหลักของการปฏิบัติเลยนะ ท่านถึงเรียกว่าจิตตะศิขาไงทำจิตตะศิขารู้ทันจิตนะแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในชีวิตนี้ต้องทำได้นะถ้าสมาธิอยู่ในชีวิตอย่างนี้ทาไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเลยเรื่องจะเอามรกรผลในชีวิตนี้น ะ, นะต้องฝึกนะให้จิตใจอยู่กับตัวใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้ซ้อมไปเรื่อย แต่ไปกระดิกคลิกเดียวก็รู้แล้วใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูไปทํานะมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะทางปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานก็มีจริงๆพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นคนจริงพอที่จะเดินทางนี้หรือเปล่าเท่านั้นแหละคนหล่อแลโลเลไม่ได้กินหรอกนะยามาอ้อนวอนขอให้ใครช่วยไปจุดทูปจุดเทียนขอให้ได้มรรคผลนิพพานไม่ได้กินหรอกต้องสู้เอานะ ว่ามารัศการหลวงพ่อค่ะเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าฟุ้งก็เลยไปดูอะค่ะแล้วก็เวลาไปเดินเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าช่วงไหนสติมันอ่อนใจมันจะแวบออกน่านมันจะหนีค่ะแล้วก็มันก็จะเห็นว่าการแวบเนี่ยมันจะมีบางครั้งมันแวบจากการที่อย่างอื่นมากระทบเห็นเช่นเสียงหรือว่าหางตาอแต่บางครั้งไม่มีอะไรมากระทบมันพอสติอ่อนมันก็ลอยไปคิดเองใช่มันไหลไปค่ะ เพราะว่าอนุสัยมันมีมันมีความมีโมหะมีความฟุ้งซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกนะแต่พอสติเรอ่อนนะัไม่มีใครดูแลรักษาจิตเขาไปเลยตามอนุสัยไปแล้วก็พอเวลามันฟุ้งไปเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีมันก็พอใจบางทีมันก็ไม่พอใจอแล้วก็พอดูๆไปเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็อยากเดี๋ยวมันก็ไม่อยากเออเท<อ>่าอย่างนั้นสินี่แหละ เ, ลเรียกว่าเดินปัญญาล้เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอด ค, คือหนูไม่ได้ฝึกเวทนาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะรับรู้บางอย่างในกายอย่างเช่นเห็นลมที่มันหมุนอยู่ในอืในสมองเราอืหรือว่ากระแสที่มันสั้นๆอยู่ในตัวหรือว่าอย่างเช้านี้นั่งสมาธิรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงน้ําหยดอยู่ในอยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่มันเราไม่ได้ฝึกเวทนาไม่สําคัญนะ คือถ้ามีสติสักอย่างหนึ่งมันรู้หมดหรอที่หลวงพ่อบอกว่ามันเนื่องกันไปหมดนะไม่ใช่ว่าดูจิตดูจิตแล้วดูอย่างอื่นไม่เป็นเมื่อไหร่เห็นหมดอ่ะอย่างนอนหลับอยู่นี่นะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยนะจะกระดิกซ้ายกระดิกขวารู้หมดเลยแล้วก็ขออนุญาตอีกคําถามนึงค่ะว่าในเวลาถ้าเราถ้าเรา เราควรจะดูสภาวะใดสภาวะหนึ่งคือตั้งใจดูให้มันเห็นชัดไปเลยไม่ไม่เอาหรือว่าอะไรผ่านมาเราก็อะไรผ่านมาก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปแล้วก็รู้ทันปฏิกิริยาของจิตถามว่ารู้อะไรก็รู้จิตนั่นแหละรู้อันอื่นกิเลสไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจนี่กิเลสไม่ได้อยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องนี่เห็น<ช>ไหมกิเลสไม่ได้อยู่ที่เส้นเลือดเห็นเลือดวิ่งไปวิ่งมานี่ งันไม่ว่าเห็นอะไรนะไม่สําคัญหอกเห็นอะไรแล้วจิตเป็นยังไงรู้ทันไว้นะเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ยึดนะ <Okay. S 1> ท่านทํางานได้เองเ <Okay. S 1> นี่ยหลวงปู่สุวัสด์เคยสอนนะท่านบอกท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านมาอีกทีึงท่านมาบอกต่อท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะไว้ ทางความสงบนะพอมีแรงไม่อย ก, กลับมาดูได้อีกกลนะับขอพบคุณหลวงพ่อค่ะไม่มีหลอกสายกายสายจิตนัม่มันหลอกเด็กนั่นมันขั้นหัดสตินะสติปัฏฐานช่วงแรกนะมันจะเป็นขั้นฝึกให้มีสติตรงนี้ไม่มันมีสายตรงนี้ดูกายพวกนี้ดูเวทนาพวกนี้ดูจิตมีฐานนะแต่ในขั้นของการเจริญปัญญาแล้วสภาวะใดใดแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิน้นเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูเวทนาเราไม่ได้ดูจิตนะเราดูไตรลักษณ์ งันตรงวิปัสนาเนี่ยดูใจลักษณนะงั้นไม่ว่าอะไรปรากฏก็แสดงไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละส่วนที่ดูกายดูเวทนาดูจิตในนั้นคือขั้นฝึกสติหรอกนะสติปัฏฐานมีสองอันนะฝึกไปแล้วให้เกิดสติอันนึงฝึกไปให้เกิดปัญญาอันหนึ่งตรงขั้นปัญญาเนี่ยเดี๋ยวมันไปรู้กายเดี๋ยวไปรู้เวทนาไม่ได้มารู้อันเดียวหรอกกราบธรรสการค่ะคือใจเห็นความไม่เป็นกลางแล้ว ความดิ้นรนที่จะไปจัดการมันมันก็จะถอยปากลางแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวมันก็เข้าไปอันนี้มันกลางเพราะสติไปรู้ทันนะมันยังไม่ใช่กลางเพราะปัญญาค่ะอาศัยกลางเพราะสตินี่แหละใจเป็นกลางขึ้นมาเราก็เห็นสภาวะสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปเป็นกลางได้ชั่วคราวตัวสุกมาแล้วก็ยินดีรู้ทันก็เป็นกลางก็เห็นว่าสุขมาแล้วก็ไปตัวพอทุกมานะก็ยินร้ายรู้ทันอีกรู้ทันไม่ยินร้ายนะมีร้ายดับ รู้ตรวจทุกไปก็เห็นทุกมาแล้วก็ไปนี่รู้ด้วยสติต่อไปพอเราเห็นด้วยสติซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้อีกต่อไปรู้ด้วยปัญญามันจะเห็นว่าสุขก็เป็นของชั่วคราวทุกก็เป็นของชั่วคราวนะพอความสุขมาจิตก็เป็นกลางโดยที่ไม่ยินดียินร้ายทุกขึ้นมาก็รู้ว่ามันของชั่วคราวจิตก็เป็นกลางโดยไม่ยินดียินร้ายตรงที่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยชื่อว่าจิตมันมีปัญญาชที่เรียกว่าสังขารู้เปกขายาน ถ้าเราเข้าถึงสังขารูปเปกขายานนี่จะเป็นรอยแยกสองรอยตรงนี้นะถ้าถ้าพวกที่อินทรีย์แก่กล้าแล้วนี่ก็จะเกิดอริยมรรคต่อไป<ฆ>เกิดอริยมรรคอริยผล น, นะถ้าพวกหนึ่งกำลังไม่พร้อมก็ถอยออกมาอีกเสื่อมก็มาทําใหม่อีกพวกหนึ่งพวกพระโพธิสัตว์มาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ไปต่อ<ฆ>ไม่ไปต่อมีหลายแบบนะแต่ของเราส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ว่าไปเจอตัวนี้แล้วหมดแรงถอยออกมาใหม่ <laughs> หลงพรอคะสมัยก่อนที่ฝึกภาวนาเนี่ยตอนที่มีสติมากเนี่ยก่อนตื่นเนี่ยก็จะเห็นจิตจะพลิกตัวจะอะไรเนี่ยจะเห็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแสดงว่ามันเสื่อมเหรคะไม่ใช่นะช่างมันเป็นไม่เป็นก็อย่าไปลำพึงลำพันถึงมันไม่ต้องพยายามเครียดเปล่าเปล่ารู้เท่าที่รู้ได้แต่รู้บ่อยๆค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วจะเห็นไตรลักษณ์เมื่อวานส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าฟุ้งมากค่ะแล้วก็แบบ มีโมหะทีนี้กลับไปไปปฏิบัติที่กุดอะคะ่ะก็ยังเห็นว่าสภาพนั้นเนี่ยมันยังคงอยู่จนกระทั่งพอตอนก่อนนอนนะคะมันเกิดเวทนาขึ้นทางกายนะคะแล้วท่อง อ, อ, อิติปิโสนะคะทีนี้กายที่มันนอนอยู่มันเห็นเวทนานะคะใจก็เลยเลยนึกท่องสวดอิติปิโสขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปแล้วพอตื่นมากลางดึกอะคะ่ะ จิตมันก็ท่องต่อคือมันก็ยังท่องอยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้ทั้งคืนพลิกรู้สึกตัวก็จะท่องเออนะเอาการสวดอิติปิโสเนี่ย<ม>เป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตจะไดะนะ้ก็เหมือนกับสวดพุทโธนั่นแหละแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สวดอิติปิโสเพราะมันยาวถนะ้าเราพุทโธพุทโธเหมือนกันแหละหลักเดียวกันนะให้จิตมันมีบ้านอยู่อยู่กับอิติปิโสก็อยู่เรื่อยไปนะจิตจะได้มีพลัง พอตื่นนอนขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีกําลังมากขึ้นกว่าเมื่อเมื่อวานนั่นแหละทําสมถาธิมันทําของมันจนมันอัตโนมัตินะนอนหลับอยู่มันยังสวดอยู่เลยแต่ว่าพอก็ยังเห็นว่ามันยังมีโมหะอยู่อะค่ะทีนี้ก็เลยโมหส่วนโมหะจิตส่วนจิตคุระอันกันไม่ห้ามนะทีนี้ก็เลยแบบสวดมนต์ค่ะพอดีว่าวันนี้สวดค่อนข้างยาวทีนี้ก็จากที่สวด สวดแรกๆยังเห็นว่ามันมีโมหะมากอยู่อะค่ะพอสวดสวดไปก็เห็นว่าโมหะมันน้อยลงน้อยลงแล้วจิตก็บอกว่ามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตเรามีสมาธิมากพอแล้วโมหะมันก็ถอยออกไปค่ะทีนี้ก็เลยนั่งสมาธิเพราะว่าคือตอนมาอยู่ที่วัดเนี่ยนั่งไม่ค่อยได้ค่ะเพราะนั่งแล้วมันจะโมหะมันจะครอบแล้วมันจะจิตมันจะลงไปอะค่ะทีนี้ก็เมื่อเช้าพอนั่งได้บ้าง แล้วก็พอลุกขึ้นมาก็รู้สึกว่าวันนี้มีกําลังมากเกว่าปกติอค่ะแล้วก็จะฟุ้งน้อยลงนี่แหละกลับบ้านก็ไปทําแบบนี้แหละจะได้มีแรงนะพอจิตมีสมาธิมันก็มีกําลังขึ้นมาถึงเรียกว่าสมาธิเป็นพร ะ, ะเป็นหนึ่งในพะละห้าตัวพอ <c oughs> มีพร ะ, ะมีสมาธิแล้วก็ค่อยมาเจริญปัญญานะเ <c oughs> นี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอกเห็ น, หนทันทีได้เลยเห็นทันทีเลยเอ๊ะมันพยักหน้าอีกแล้ว มันยิ้มละเห็นไหมนี่ดูอย่างนี้นะจิมีน่ะถอยออกมาเป็นคนดูเลยอ้าวต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อตามความจําเป็นไม่ใช่ตามอยากนะอส่งกันบ้านในรอบนานแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเปลี่ยนแต่รู้สึกว่าไม่มากเท่าไหร่อะค่ะไม่อย่าโลบแค่นี้ก็มากแล้วเห็นไหมกายกับจิตเป็นคนละอันเห็นบ้างเห็นแล้ว เห็นไหมความสุขความทุกข์กัจิตเขาโค้ดล้านเห็นไหมโรคโปรดหลงโปรดกับจิตเขาโค้ดล้านนะต่อไปนี้ก็ดูไปเรื่อยแต่ละอันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เห็นไหมเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งความสุขความทุกข์กุศลนักุศลเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรคงที่เลยดูอย่างนี้เรื่อยๆจบอ่ะ เวลาพูดกับหลวงพ่อต่รู้สึกตื่นเต้ น, นะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกเป็นกลางมากขึ้นตอนวันนี้รู้สึกมนะันนาอัตตามา ก, มา ก, ม, ากมากเลยคะ่ะเออดีนะดีะที่รู้นะไม่ใช่ดีที่มากนะคะหลวงพอ<น>่อมีอะไรตักเตือนไหมคะหนูดูจิตอย่างที่มันเป็นเรื่อยๆนะคะดูจิตที่อย่างที่เขาเป็นจิตของเราเนี่ยโลดผลรวดเร็ว ว, วูบว่าวูบว่าให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยไม่ไปบังคับเขานะค่ะเออ มนมาธการหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็คือคุกไปกับโลกเยอะนะครับแล้วก็พอกลับมาี่ก็เหมือนก็หมดแรงแล้วธรรมตาสิเอาแรงไปใช้กับโลกหมดแล้วครับ ต, ต้องมาฝึกใหม่ตอนนี้มันคือพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยก็เหมือนกลับมาเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ใหม่เลยนะพุโทโธพุโทโธอะไรก็ทําไปให้ใจมันมีกําลังขึ้นมานะทําสมถะอะไรก็ทําไปสัอย่างให้ให้เริ่มจากสมถะก่อนใช่ไหมครับเออมันไม่มีแรง ต้องทำให้มีแรงก่อนสมถะทาให้มีแรงนะตอนนี้แรงตกสมถะนี้ผมควรจะทำรูปแบบไหนดีคบแค่พุโทโธก็พอแล้วครับพุโทโธธรรมโมสังโฆก็ได้ใครจะชอบอะไรก็เอาพอทำสมถะให้สบายใจนะไม่ได้ทำให้สงบนะทำเล่นๆไปสักพักเนื้อจิตมันจะมีแรงขึ้นมาอย่างนี้เขาสวดอีติพิโสอยู่วันมาสองสามวันนะ ไม่มีสมาธิเลยฟุ้งอย่างเดียวสวดดีตีวิโสไปเรื่อยๆใจก็มีแรงขึ้นมามีแรงแล้วอย่างนี้ก็เดินปัญญาต่ตอการนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะหลังจากสมการบ้านครั้งที่แล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วว่าจิตมันว่างอยู่เดิมแล้วก็มีราคาโทสะโมหะเนี่ยมันแทรกเข้ามาแต่ <ๆ S 2> เราไม่รักษามันน ะ, ะเราจะดูให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ดูเอาจิตว่าง ตอนนี้เนี่ยเมื่อมีราคาโทสะโมหะเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันมีแรงเสียดมีการกระทําทางใจอะค่ะการทําทางใจนี่แหละเรียกว่าพบพอสําเภา พ, อ, พอผ่านนะแล้วก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมัน ก, มนก็มันก็รู้สึกว่าทําให้ทุกข์ได้เหมือนกันทุกค น, ค, คนดีก็ทุกแบบคนดีน ะ, ะจิตที่เป็นกุศลก็เป็นจิตที่อยู่ในกองทุกข์เหมือนกันนะแล้วก็ เออเห็นว่าพอภาวนาไปเรื่อยๆยก็จะเห็นว่าพอเห็นจิตหลงไปเนี่ยก็จะมีแสงสว่างว่าแล้วก็ดับไปพร้อมกับความหลงตรงนั้นตรงที่สว่างขึ้นมานะั้นเป็นตัวปัญญามันเกิดแล้วก็พอหลังจากนั้นนะ่เจอแบบนั้นไปไปสักพักหนึ่งเนี่ยมีอยู่ปรากฏการหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นนิมิตหรือเปล่าคือก่อนที่จะนอนนะคะเออก่อนก่อนที่จะนอนเนี่ยก้มลงกราบกราบครั้งแรก ก็จะเห็นว่าจากตาเนื้อเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นร่างกายไม่เห็นไม่เห็นลําตัวแต่สิ่งที่เห็นคือเป็นดวงไฟกลมๆใหญ่พอสมควรสีส้มมนๆนะคะแล้วพอกราบครั้งที่สองก็จะเห็นปกติกราบครั้งที่สมก็เห็นแบบเดิมเป็นนิมิตเป็นนิมิตใช่ไหมคะไม่ใช่เรียมรักเป็นนิมิต อันนี้หลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเออนิมิตใดๆเกิดขึ้นไม่สําคัญนะตอนนิมิตเกิดขึ้นมาให้รู้ทันใจของเราเรื่องใจเราสงสัยว่ามันคืออะไรรู้ว่าสงสัยเพราะว่าาดีขึ้นเยอะแล้วแหละแต่แรงยังอ่อนไปนิดนึงนะรู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรงตอนนี้ตอนนี้รู้สึกอ่อนกําลังลงมากเลยนะไปทําความสงบบ้าง่ฉุดมลไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แรงกําลังไม่พอละเรื่องจากว่าหนูเห็นว่า การภาวนาทางจิตเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากใช่คราวนี้เนี่ยหนูก็เลยจะขอขมาแล้วก็ขอโหสิกรรมหลวงพ่อแล้วก็ครูบาอาจารย์ถูกทูปถูกท่านนะคะหากว่ามีการกระทําร่วงเกินไม่ว่าทางกายวาระใจรุ่งเกินพละตระตนากพละตระหนักใจค่ะก็คือจะขอขมาแล้วก็ขอโหสิกรรมเนี่ยค่ะนะให้ขมานะขอสิกรรมนี่ให้กันไม่ได้โหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลเสร็จแล้ว นะคือทำกรรมเนี่ยต้องมีผลแต่ว่าพอผลมันให้ไปแล้วนะเรื่องอโหสิกรรมรที่ขอได้ขอขมางนะั้นในเวลาบทสวดที่พระเขาสวดกันก็จะขอขมากันกา ร, รขอขมาเนี่ยเป็นเรื่องดีถ้าใชว่าเรากล้าเปิดเผยความไม่ดีของตัวเองนะเป็นแสดงความกล้าหาญออกมาจริงใจต่อธรรมะคนที่กล้าขอ ข, อขมาได้ด้วยใจที่แท้จริงเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าท่านยกย่องนะว่าเป็นทางที่จะทําให้เจริญในอริยวินัยของท่านดีแล้วก็บุญกุศลได้ที่หนูได้ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะคะก็ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาแล้วก็ถวายเป็นอาจารย์บูชาค่ะต่อครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ คือว่าหนูมานั่งสมาธิก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าภาวะที่ไปอยู่ที่จิตไปพักตรงนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหรือเปล่าไม่เป็นไรผลที่ได้ก็คือจิตสงบมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นใช้ได้ค่ะทีนี้ขณะที่จิตเข้าไปพักอยู่เราก็พิจารณาดูความไม่มีตัวตนได้เห็นแต่เอามันเหมือนอะไรบางอย่างอะคะ่ะนั่นแหละมันเป็นอะไรบางอย่างถ้าใส่ชื่อก็เป็นรูปกับ น, นาม ก็พิจารณาอย่างนี้ใช้ได้เลยใช้ได้ใช่ได้จิตดีขึ้นใช้ได้สาธุค่ะแล้มรรการหลวงพ่อค่ะก็รู้สึกว่าจากการภาวนาก็จะเห็นสภาวะได้ละเอียดมากขึ้นนะคะก็จะเห็นแม้กระทั่งว่าเจิตมันเข้าไปทํำจิตมันอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเวลาเดินจงกรมพอมาตรงจุดหนึ่งก็ตรงนี้มัน มันตั้งใจนะอะไรเงี้ยมันตั้งมันเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความตั้งใจวันนี้ก็คืออยากจะขอเข้ามาหลวงพ่อแล้วก็ขอเข้ามาพระรัตนไตยแล้วก็หลวงพ่อรวมถึงพระอริยะทุกท่านด้วยอ่ะค่ะดีรับทราบรับทราบนมัสการหลวงพ่อครับเอเมื่อสองอาทิตย์ก่อนหลวงพ่อบอกให้ลองมานอนวัดดูครับเมื่ผมมานอนเมื่อวันจันทร์อังคารพุธแต่ว่าหลวงพ่อไม่อยู่ก็เลย ยัไม่ได้ส่งกันบ้านก็เลยมาส่งวันนี้แทนครับ mm hmm. ก็ทำก็ได้ทํารูปแบบทั้งวันนั่นแหละครับก็ผลก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยครับก็กมีแรงเยอะขึ้นแหละก็ได้แรงขึ้นมานะครับเมื่อมีแรงก็แค่เรามีต้นทุนแ ล, แล้วก็เจริญสติเจริญตัญญาต่อไปนะแล้วก็รักษาแรงของเราด้วยกันทําความสงบหรือทําในรูปแบบทุกวันทุกวันเหมือนชาติแบตนะนะดี เวลาตอนที่ทําในรูปแบบหรืออะไรเดินจงกรมหรืออะไรมันถึงเดินเดินอยู่ครับมันรู้สึกว่าใจมันจะขี้เกียจอะครับมันมไม่อยากใช้แรง<อ>มันอันนี้มันคือการหมดแรงเฉยครับ ม, มั น, <อ>มนึเป็นเรื่องความท้อแท้ใจนะถ้าเราสมควรเดินเราก็ยังเดินอีกไม่ไม่ไม่ไม่ถอยนะสู้มันดีได้แดงขึ้นมานะหลวงพ่อครับช่วงที่ ผมปล่อยใจให้มันทำงานนะฮะแล้วก็ย่อหย่อนไปบ้างเสร็จแล้วถูกกิเลสลากไปเนี่ยไม่ต้องใช้วิธีข่มใจหรือว่าวิธีคพิจารณาช่วยด้วยใช่ต้องช่วยนะต้องไม่ให้กิเลสลากไปนะเสร็จแล้วเราแค่ปล่อยให้จิตทำงานนะปล่อยให้จิตทำงานแต่ว่าไม่ปล่อยให้จิตถูกกิเลสลากไปกับพเามรัสการหลวงพ่อครับผม เพิ่งเข้ามาปฏิบัติเหมือนเป็นน้องใหม่นะฮะยังไม่ค่อยรู้อะไรอยากจะขอคําชี้แนะในแนวปฏิบัติที่ว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรนะใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้รู้เท่านี้ก็พอและไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกรู้เยอะไปเวียนหัวเปล่าๆสุดท้ายมันก็แค่เห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกรู้ไจรักก็พอละ ดูแค่สุขทุกข์เฉยๆก็พอละนะครับกาบนมัส ก, การหลวงพ่อก็คราวที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อแนะนําให้ไปดูตัวมานะทิฏฐิครับก็ปฏิบัติตามแนวที่หลวงพ่อสอนมาเรื่อยมาก็ไม่ได้มาส่งการบ้านประมาณสามสี่เดือนแล้วครับครั้งนี้ก็มันก็พัฒนาขึ้นแต่ว่ า, าบางครั้งก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะไปติดอยู่ที่ตัวไหนเองครับไม่เป็นไร น, นะ ที่ทำตอนนี้มันพัฒนาอยู่ให้ทำต่อไปได้ยังไม่ได้ติดขัดอะไรหรอกรจิตถึงฐานไหมขนาดนี้จิตที่ถึงฐานนะจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะถ้ามีหนักแน่นแข็งซึมทื่อแสดงว่าไม่ใช่จริงไม่ใช่ของจรงิรงแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำไหมครับที่ทำอยู่ดีแล้วนะทำอีกกฝุนครับ คือมาส่งกันบ้านเมื่อค้าที่แล้วคะ่ะหลวงพ่อบอกว่ายังมีเพ่งอยู่มันดีกว่าเก่าแล้วรู้สึกไหมมันดีกว่าแต่ก่อนเนาะมันสบายกว่าเก่าแล้วนะเห็นไหมขันมันแยก <c oughs> นั่นแหละไปทําต่อใจของเราเป็นแค่คนดูนะเห็นขันทํางานใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยสุดท้ายมันจะรู้เลยไม่มีเราตรงไหนเลยมันทําของมันเอง อ, อย่าคิดเยอะขอบพระคุณ ค่ะนมาสการค่ะหลวงพ่อเราไม่ได้ส่งกันบ้านมาเป็นปีแล้วค่ะไม่เป็นไรโอนาอยู่ก็ใช้ได้ค่ะก็คราที่แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังเห็นเยอะเลยค่ะนั่นแหละเห็นไหมไม่มีอะไรเป็นเราสักตัวเดียวค่ะแล้วยัเอาอะไรอีกจะเอาให้มีเราหรือก็คือรายงานให้หลวงพ่อทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามากขึ้นนะมากใช้ได้นะขอบคุณค่ะดีใจด้วยโมทนา ขยันภาวนาไปจะมาไม่มาไม่สําคัญนะสําคัญที่ได้ภาวนากราบนมรสการค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาร่อประมาณปีหนึ่งอะเออไม่เป็นไรแล้วเป็นไงแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองค่ะก็มันรลายกว่าที่คิดไหมค่ะไม่ไม่ฟุ้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วก็มีสติรู้ตัวมากขึ้นนะคะเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นค่ะหลวงพ่อ ถ้าเห็นกิเลสใช้ได้นะเห็นแล้วเป็นกลางไหมก็ก็คิดว่าเป็นนะคะเออถ้าเป็นก็ใช้ได้อีกนะแล้วก็ก็ขยันทำในรูปแบบมากขึ้นนะคะอยากขอคำแนะนําเพิ่มเติมถ้าถ้าทำในรูปแบบนะแล้วจิตไหลไปให้รู้ทันนะจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตมันจะได้ถึงฐานขณะนี้จิตถึงฐานหรือเปล่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะคะ ใะให้รู้ฐานมันจิตออกนอกนะจิตจะได้เข้าฐานการที่จิตจะเข้าฐานนั้นเราไม่ดึงเข้ามานะเราแค่รู้ว่าเขาออกนอกมันจะค่อยๆเข้ามาเองเราก็ดูไปอย่างสบายที่คุณทำอยู่ก็ดีขึ้นแล้วละ่ะกราบนมัสการหลวงพ่อว่าไ ง, งมันเหมือนเดิมยังมันเหมือนเดิมเปล่ารู้สึกมันดีขึ้นค่ะเออดีขึ้นจะใช้ได้สิ ร, รู้สึกว่า ตั้งมั่นขึ้นนะคะหลวงพ่อจิตถึงฐานหรือเปล่าน่าจะถึงค่ะขนาดนี้ถึงไหมไปดูให้ดีนะจิตถึงฐานเนี่ยจิตเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะจิตไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไหลไปคิดหรือยัง <c oughs> อจิตไหลไ ป, <c oughs> ไปคิดให้รู้ทันนะเด <c oughs> ี๋ยวตั้งมั่นขึ้นมาใช้ได้ดีแล้วรู้สึกว่า จิตมันตั้งมั่นขึ้นนะคะเออตั้งอย่งนั้นนะไม่มีกับสมาธิภาวนาไม่ได้ค่ะมันตอนที่มันมันไปรู้สึกความรู้สึกอะไรที่มันเกิดเนี้ยมัรู้ตามมันเออมันรู้ทันหมดเลยออแต่ว่ารู้แล้วก็ว่ารู้เราดีใจไหมไม่ค่ะรู้แล้วก็ก็จุดอืมแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับเราเราไม่ต้องตั้งท่าเราก็อยู่ธรรมดาเนี้ยใช่ต้องไม่ตั้งท่าตั้งท่าแล้วของเก๊ ใจจะแน่นน่ะตั้งท่าขึ้นมานะแน่นๆไม่ดีมัสกคารุรพ่อค่ ะ, ะหนูก็ไม่ทราบว่าจะภาวนาอย่างไงอะไรยังไงแต่หนูก็สวดมนต์ไหว้พระเช้ากับเย็นค่ะสวดมนต์แล้วลสบายใจไหมสวดมนต์แล้วลสบายใจให้รู้ว่าสบายใจนะวันไหนกลุ่มใจให้รู้ว่ากลุ่มใจ ค, คอยดูที่ใจมีสองงานสบายใจกับกลุ่มใจดูอย่างนี้บ่อยๆนะเราก็จะเห็นเลยว่าสบายใจก็ชั่วคราว กลุ้มใจก็ชั่วคราวนะดูอย่างนี้นะความทุกข์ใดๆที่ผ่านเข้ามาก็ให้แค่รู้แค่เห็นนะอย่าไปจับมันไว้ก็แค่เห็นมันก็มาแล้วก็ไปนั่นแหละเรียกว่าภาวนาแล้วนะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รูนะ้สบายใจก็รู้กลุ้มใจก็รู้ดูไปเลยนะเอาหมุดแล้วนะ